ไปทำความเพียนอยู่ณใกล้หมู่บ้านกาลาวาละมุตคามถูกความง่วงครอบงำไม่อาจให้ความเพียนดำเนินไปตามปกติได้พระาศาสดาเสด็จไปณที่นั้นทรงสแสดงอุบายสำหรับแก้ง่วงเช่นเมื่อความง่วงครอบงำให้เอาใจใส่ใคร่ครวญถึงธรรมที่ได้ฟังแล้วได้ศึกษามาแล้วถ้ายังไม่หายง่วงควรสาธยายธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว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 ถ้าพิษุชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลเธอจะร้อนใจเป็นอันมากบางครั้งบางคราวคารืหัดทั้งหลายเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากอาจไม่ได้นึกถึงภิกษุผู้เข้าสู่ตระกูลภิกษุผู้ชูงวงอาจคิดมากว่าบัดนี้ใครหนอยุยงให้เราแตกจากตระกูลนี้มนุษย์พวกนี้จึงมีอาการห่างเหินเรามีอาการอิจหนาระอาใจต่อเราเมื่อไม่ได้อะไรๆจากตระกูลนั้น